พูดว่าสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะเราเข้าสู่ 2556 วันสุดท้ายปี 2557 กําลังจะ อ่าไปเจอ 28 29 พรรคก่อนแล้วค่อยมาเจอ 30 31 จะพูดกันล่วงหน้าจะถามท่านกราบนมัสการค่ะท่านภบูรณ์คะเสพานดิฉันเนี่ยจะถามท่านมาหลายครั้งแล้วนะ ดวงเมืองจะเป็นอย่างนั้นดวงท่านจะเป็นอย่างนี้อืมๆๆอย่างนั้นก็ไม่ ความที่เราจะดวงดีหรือไม่ดวงดีนี่ก็คือเหมือนกับ ไอ้ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะแต่ถ้าบอกๆๆนะๆๆนะถูกขีดเส้น แล้วก็ถ้าเอ่อปรุชาจะทําลักษณะนี้ เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงได้นะทีนี้ถามว่าถ้าเราต้องการเจอผล เอ่อเราอย่างช่วงปีใหม่เนี่ยเรามักจะส่งความสุข แต่ถ้าบางทีเราพยากรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไปน่ะแล้วเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนอย่างเช่นบางคนจะมี นะแต่ถ้าเราพูดถึงเหตุปัจจัยที่มันมาถูกต้องนะพระพุทธเจ้า อาตมาจะฟันธงว่าดีแน่นอนดีแน่นอนดีนะเพราะว่าถ้าเราสร้างเหตุที่ดีในวัน <ฆ. S 1> ต่อให้เราจะตายต่อให้เราเจ็บต่อให้บ้านเมืองมีทุกข์ภิกขภัยต่อให้มีโจรกบฏเกิดขึ้นนะ 5 ประการที่พระเจ้าเตือนไว้แล้วนะถ้าจะบอก ถ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะให้ค่ะแล้วมันเกิดขึ้นแน่นอนนะใช่แล้วก็อ่าคนที่ต้องการจะโชคคือสร้างใช่นะคะ เอ่อส่วนใหญ่ก็จะขอให้ท่านอย่างนั้นๆเราได้รู้ว่าไอ้การขอเนี่ยมันไม่มีทาง แล้วว่าส่งความสุขด้วยสัมมาวาจาเอ๊ะถ้ามีสัมมาวาจาเอ๊ะมันเป็นสุขนี่ก็อย่างงี้ค่ะแต่ดิฉันคิด ศีลเป็นไปเพื่อโภคทรัพย์ค่ะก็บอกว่าขอให้ท่านรักษาศีลและเคาะยังนอก ป้องกันอวยพรอายุยืนนี้รวยแล้วนะคะอ่าอายุยืนว่าเช่นการให้ทานเป็นใบเพื่ออายุยืนงั้นเหรอคะอืมคิดแล้วมันไม่น่าเกี่ยวกันนะคะท่านคะการ ยศศักดิ์ศิลยศ varthetaana ศาสตร์แล้วก็สุขภาพพวกเนี้ยคือเกิดจากเกิดจาก 6 นะยัง 2 ก็ยศฐานะสรรสมบัติ 6 อย่างนี้ ผลของการที่เราสร้างบุญค่ะซึ่งอันนี้บางทีเรามองข้ามนะคุณโยม ว่าจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรหมายถึงถ้าบวกลบคูณหารตรง เพราะธรรมะของพระค่ะอ่าทางฝั่งการเรียนเข้าใจว่าเค้าก็อวยพรกันไม่หนีให้รวยให้อายุยืนให้ ได้ดีๆแล้วอยากจะเอามาอวดชาวบ้านก็ได้นะคะจะได้อ่านเผื่อแผ่ให้คนเอ่อคน เนี่ยซึ่งๆเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยล่ะเป็นของที่มีค่ะเค้าก็มีการ์ด แล้วก็มีซานตาคลอสอยู่ข้างล่างเลยนะคะเมรี่คริสต์มาสอยู่ข้างใช่เพราะในในเนี่ยถ้ามัน นะคะเพราะว่าเอ่อดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าในสังคมไทยเราเป็นสังคม จำนวนไม่น้อยทีเดียวที่มีชีวิตค่ะการขอขอนี่ๆไปเอ่ออันเนี้ยเป็นเรื่อง ตอนนี้ก็ชักสงสัยว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจผิดหรือเปล่านะคะว่างั้นเนี่ยต้องไม่เช่นกลัวบาปแต่ไอ้กลัวสิ่งที่ที่อื่นๆค่ะซึ่ง คนกลัวผีต้องติดตามต่อไปรายและท่านสามารถนําเหตุเนี่ยไปสร้าง เอาล่ะกราบนมัสการขอบพระคุณท่านเป็นบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะท่านว่าที่เคารพคําไม่มีใครหรอกนะคะที่จะอ่าประสิทธิ์ประสาทพรให้กับเราได้อย่างถูกต้องเต็มที่เท่ากับตัวของเราเองแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องรู้วิธีที่ <Trib forums> um เป็นจํานวนทั้งโลกก็ยังทัดเทียมไม่ 30 31 เรามาพบกันมาส่งท้ายปีเก่ากัน